เป็นเราเจริญสตินีผู้ที่เจริญสติก็ต้องรู้จักสติสติเป็นในกายในสติอยู่กับกายโดยที่มีสติอยู่กับกายก็คงจะรู้จักเมื่อมีสติเข้าใจรู้จักความหลงเมื่อรู้จักความหลงก็รู้จักแก้ให้เกิดสติเาแก้ได้หลงบ้างแก่บ้างรู้บ้างหลงบ้างเห็นหลงเห็นรู้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 ตึงเกินไปจะเพราะไหมไม่เพราะเพราะเจ้าขาหย่อนเกินไปมันจะเพราะไหมไม่เพาะเ พ, าะเพราะเจ้าขาเธอจะทำยังไงจึงจะได้เสียงพอดีพอดีก็ต้องเอาพอดีก า, ารปฏิบัติธรรมของเธอก็เหมือนกันต้องพอดีต้องมีความพอดีตึงเพื่อหย่อนหย่อนเพื่อตึงให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ประสบการณ์เราเองอันที่มันจะตึงอันที่มันจะหย่อน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 รู้สึกตัวรู้สึกตัวมันเป็นความชอบเก่งๆเราจะทํำยังไงจึงจะมีสติต่อเรื่องอยู่กับกายรู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่ต่างหากจะไปเอาอะไรมาเป็นกฎเป็นเจนแล้วกฎเจนมีเยอะแยะนะวิธีปฏิบัติทำยเยอะแยะมากมายหลวงพ่อก็เคยไปศึกษาเคยไปปฏิบัติเคยไปสอน คู่กับวิธีอื่นหลายรูปแบบวิธีปฏิบัติธรรมหลายรูปหลายแบบหลายรูปแบบขนาดไหนก็ตามมันต้องเป็นหนึ่งสัจธรรมจริงต้องเป็นหนึ่งเดียวก่อนมาลุธธรรมจริงจริงต้องเป็นหนึ่งเดียวคือหมดทุกนั่นะไม่มีหลงนั่นแหละเอา้าตัวหลงมันก็ไม่ยากก็คู่กับความรู้นี่เท่านั่นเอง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 เรื่องอะไรที่วบาไม่มีคนตายไปพ้ตายไปเท่านั้นเท่านี่เกิดมาไปเห็นนร ก, กนั้นไปเห็นสวรรค์อย่งางนู้นทนี้นโอ้ถูกของเขาเออถูกถ ก, ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องของเราที่เดียวนี้ปัจจุบันนี่ไม่ต้องรอโอ้ตายไปแล้วจังจะได้ไปนู้นไปนี่ไม่ใช่แม้จะเป็นสวรรค์ในฝันก็น เ, เปิดประตูให้ตัวเองเดียวน่น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 เวลาจิบนข้าวเย็นแล้วเอาหอมานอนกายขาพ่อขาแม่ให้พ่อแม่เล่าเนธานให้ฟังแ้วนี่ก็ไปนั่งอยู่ต่อหน้าจอทีวีก็ไม่มาหาพ่อหาแม่แล้วก็ได้ข้อมูลอะไรผิ ด, ผ, ดผิดไปแล้วยะไปหมดเลยแล้วก็ไม่เหมือนคนโบ ร, ราณเป็นคุ้มเป็นค่วงพี่น้องลูกเต อ, อยู่บ้านรอบข้างพ่อข้างแม่เดี๋ยนี่เป็นอย่างไร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 เห็นไหมมันลักคิดไม่ได้ตั้งใจเลยปั๊บไปแล้วบางทีสิปีมันยังก็มาคิดนะยี่สิบปียังก็มาคิดไปข้างหน้าบางคืนข้างหลังบางคนหนุ่มก็คิดไปข้างหน้าคนชราก็คิดคืนข้างหลังไปนะปัจจุบันเลยทิ้งอ้างว่างไ้เลยเลยเราจึงมีปัจจุบันทาไมเราจึงมาสร้างสติมันยากหลวงพ่อนั่งอยู่สบายกว่าเอาเรามาสร้างให้มันเป็นปัจจุบัน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 ไม่ใช่อย <w> um It ู today, ag ่สุกตัวไม่ใช่อยู่ตรงไหนอยู่กับความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของเราแต่เวลานี้เรามาเป็นกันระยานมิดกันอยู่ร่วมกันจริงเราก็อยู่ของเราเองรู้สึกตัวไม่ใช่อยู่สุกตัวเนาะเราอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยเราไม่ได้อยู่สาราหอไตเราไม่ได้ใช่อยู่กติไม่ไอยู่สาราไก่ไม่ใช่อยู่สาราน้าเราอยู่กับความรู้สึกตัวเราอ่าฝันไหนก่อคไหฟังเนาะ ตำควเจเวปา